จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2556หเป็นวันที่ท่านท่าหมายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญตน ให้เกิดความสุขเกิดความเจริญด้วยความล้ำลึกถึงคุณค่าของเวลาของชีวิตที่จะค่อยๆหมดไปเห็นคุณค่าว่าเวลานี่แหละเป็นแห่งเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราได้สร้างสิ่งที่ดี สิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐให้กับชีวิตของเราถ้าเราไม่มีเวลาเช่นเราตายไปเราก็จะไม่สามารถมาทำบุญมาลากบามาชำระใจของเราให้ส า, าดบริสุทธิ์ได้แล้วถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติกียติที่เราควรจะทา เราก็จะไม่ได้รับผลเรามีอย่างไรเป็นอย่างไรเราก็จะมีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นต่อไปแต่ถ้าเรามีเวลาได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทำบุญได้ละบาปได้ชำระใจให้สะอาบตอนุทสุดเราก็จะได้ผล ที่ดีต่างๆตั้งแต่ตตสวรรค์ชั้นเทพขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมไปสู่สวรรค์ชั้นมากคผลนิพพานตามลำดับต่อไปดังนั้นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ผู้ที่ฉลาดควรที่จะคำนึงอยู่เรื่อยๆคอยเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆ ถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําบุญหรือไม่ได้ทําบุญเรากําลังทําบาปหรือละบาปเรากําลังชําระใจของเราให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงหรือเรากําลังทําใจของเรา ให้เศร้าหมองให้สกรปรกด้วยการสร้างความโลภความโกรธความหลงให้มีเพิ่มมากขึ้นไปแล้วควรจะถามเราอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ถามก็เหมือนจับขับรถแล้วไม่คอยดูมาต ร, ว, ร, าราาวัดความเร็วของรถถ้าเราคอยดูมาตรวัดความเร็วของรถเราก็จะได้รู้ว่า เรากำลังขับเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปมาตรวัดชีวิตของพวกเรามารตรฐานของการดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องให้เกิดคุณให้เกิดประโยชน์ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองที่ทรงสอนให้เราทำบุญละบาปชําละใจ ของเราให้สะอาดบริสุขธิ์ถ้าเรายัางไม่ได้ทำบุญเราทำบุญน้อยเราก็ควรที่จะทำให้มากขึ้นถ้ายัางไม่ได้ทำบุญเลยก็ควรเริ่มหัดทำบุญถ้ายัางไม่ละบาปยังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็ควรที่จะเริ่มหัดรักษาศีลห้าไปในเบื้องต้นอาจจะไม่สามารถ รักษาได้ให้ครบทั้งห้าข้อให้ครบได้ทุกวันก็เอาเท่าที่เราจะทำได้ทำไปแล้วเราก็จะทำเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้ครบทุกข้อได้ทุกวันทุกเวลาแล้วเราก็ ถามตัวเราเองว่าเราชำระใจของเราบ้างหรือยังชำระความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจของเราให้ลดน้อยลงไปบ้างหรือยังหรือยังทําตามความโลภทําตามความโกรธทําตามความหลงอยู่ทุกครั้งที่เราทําตามความโลภความโกรธความหลง ก็เป็นเหมือนเพิ่มความโลภความโกรธความหลงให้มีเพิ่มมากขึ้นไปภายในใจถ้าเราอยากจะชำระความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปเราก็ต้องไม่ทาตามความโลภความโกรธความหลงทุกครั้งที่เราไม่ทาตามความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงก็จะน้อยลงไป จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆและจะหมดไปได้ในที่สุดการที่เราจะลดความโลภความโกรธความหลงได้เราต้องมีพลังมีกำลังใจถ้าเราไม่มีกำลังใจเราจะไม่สามารถสู้กับความโลภความโกรธความหลงได้กำลังใจของพวกเราก็คือการ ทำบุญละบาปและการปฏิบัติจิตตะภาวนาทีเองถ้าเราทำบุญได้เราก็จะละบาปได้พอเราว่าบาปได้เราก็จ ะ, จะเจริญจิตตะภาวนาได้จิตตะภาวนาก็คือการทําใจให้สงบเรียกว่าสมถาภาวนา และทำใจให้ฉลาดให้รู้ทันเรียกว่าวิปัสนาภาวนานี่คือเครื่องมือที่จะทำให้เรามีกำลังที่จะต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงได้อย่างวันนี้ถ้าเราคิดว่าจะเอาเงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็เปลี่ยนใจ เอาเงินมาทำบุญกันการเอาเงินมาทำบุญแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ทาให้เราละความโลภอยากไปเที่ยวลงไปได้แล้วก็จะเพิ่มกําลังใจของเราให้มีกําลังที่จะสู้กับความโลภให้มีมากขึ้นได้เวลาเรามาทำบุญใจของเรา จะได้รับอาหารที่จะเป็นพลังของใจเหมือนกับร่างกายถ้าร่างกายไม่ได้รับประทานอาหารร่างกายจะอ่อนแอไม่มีกำลังที่จะทำอะไรได้แต่ถ้าได้รับอาหารแล้วร่างกายก็จะมีกำลังที่จะทำงานทำการได้ฉันใดใจของเราก็เหมือนกับร่างกาย ที่จำเป็นจะต้องมีอาหารไว้คอยหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆอาหารของใจก็คือบุญนี่เองอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้มาทำบุญด้วยการนำกับข้าวกับปลาของขาวของหวานเครื่องใช้ไม่สอยจะตกปัจจัยเงินทองมา ถวายให้กับพระภิกษุและถวายให้กับวัดอันนี้ก็เป็นการให้อาหารกับใจเพราะเวลาทำไปแล้วจะเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความพอใจจะไม่ค่อยมีความโลภอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ นี่คือการสร้างกำลังใจไว้ต้านความโลภที่มักจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอต่อให้ทาตามความโลภมากน้อยเพียงไรก็จะไม่ได้ลดความโลภให้น้อยลงไป ไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาเลยแต่กลับจะทำให้เกิดความหิวเกิดความโลภเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อของไปทำตามความโลภต่างๆมาทำบุญเราก็จะสกัดความโลภตัดกำลังของความโลภให้ออกมันไป แล้วก็สร้างกำลังของใจให้มีเพิ่มมากขึ้นจะทําให้เราต่อสู้กับความโลภที่จะตามมาได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเราไม่ทําบุญเลยเราทําตามความโลภอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาอยากจะดูอะไรก็ซื้อมาดูอยากจะฟังอะไรก็ซื้อมาฟังอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ซื้อ ก็ไปเที่ยวใช้เงินไปเที่ยวความโลภ ก, ก็จะมีกำลังมากขึ้นความหิวความอ่อนปวกเปียกของใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นทำให้เรานี้จะไม่สามารถที่จะต่อสู้กับความโลภได้จะทำให้เราไม่สามารถทำบุญได้จะทำให้เราไม่สามารถรักษาสีละบาตได้ จะทำให้เราไม่สามารถเจริญจิตตภาวนาได้ดังนั้นการทำบุญจึงเป็นขั้นแรกของการสร้างบันไดที่จะนำพาเราขึ้นไปสู่ผลอันเลิศผลอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบกัน เราก็จะได้พบเช่นเดียวกันถ้าเราทำตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงดำเนินแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพระพุทธเจ้าก็ทรงทางทางตอนต้นก็ทำไปทีละเล็กทีละน้อยและในที่สุดก็ทำอย่างเต็มที่เลยก็คือมีสมบัติ มีเงินมีทอมากน้อยเพียงไรก็สละหมดเลยไม่เอาเก็บไว้แม้ตาบาทเดียวแล้วก็เสด็จออกจากพระราชวังเพื่อไปรักษาศีลไปบำเพ็ญจิตตภาวนาต่อไปนี่คือการทำฐานการทำบุญที่เป็นบันไดที่จะให้เราได้ก้าวขึ้นสู่การ รักษาสิงเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเข้าสู่การเจริญจิตตภาวนากันต้องเริ่มที่ทานต้องหมั่นทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่บ่อยๆแล้วทําให้มากขึ้นไปตามลําดับเวลาเราทําทุกครั้งเราจะมีกําลังใจที่จะทําเพิ่มมากขึ้นไปเพราะผลที่ได้จากการทําทานนี้ มันมีความสุขเหลือเกินมีความอิ่มมีความพอแต่การจะทำบุญให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนี้ต้องทำด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้ใดในการกระทำไม่ต้องการให้ผู้อื่นยกย่องเสริญละเสริญ ขออกออดใจไม่ต้องการนับรางวี่รางวัลวของแลกเปลี่ยนเช่นทําบุญแล้วจะได้พระจะได้เหรียญจะได้จารึกชื่อไว้ในหน้าต่างในประตูโบทอย่างนี้ไม่ต้องการอะไรเลยต้องการที่จะให้เพียงอย่างเดียวต้องการที่จะ ให้อาหารกับใจต้องการที่จะตัดกำลังของความโลภความโกรธความโงให้เบาบางลงไปถ้าทำด้วยความโลภเช่นทำแล้วอยากจะได้ผลอย่างนั้นผลอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำบุญตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงทำมา ทำแล้วต้องได้นั่นได้นี่ต้องร่ำรวยมากขึ้นต้องอมีงานที่ดีขึ้นต้องได้รูปได้สามีต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทาบุญแต่เรียกว่าเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน <c oughs> เหมือนกับเราไปซื้อของที่ร้านเราให้เงินเขาเขาก็ให้ของเรามา อย่างนี้จะไม่มีความรู้สึกแตกต่างเกิดขึ้นมาภายในใจใจจะไม่เกิดความปิติเกิดความสุขเกิดจากความอิ่มเกิดจากความพอเกิดความอิ่มเกิดความพอแต่ถ้าทำด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนนอกจากจะช่วยให้ผู้อื่นนั้นมีความสุข อยากจะแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อ่นเช่นเห็นคนอดอยากขาดแคลงคนที่ไม่มีเงินรีทองก็ให้เงินเขาไปซื้อข้าวซื้อของอย่างที่มีข่าวในต่างประเทศมีคนอยากจะทำบุญเขาก็ไปในซุเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาก็ยืนรอตรงที่คนมาจ่ายเงิน พอคนซื้อของแล้วจะจ่ายเงินเขาก็บอกว่าเราจะจ่ายให้คุณไม่ต้องจ่ายเงินนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญแบบไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับหรือจากใครทั้งนั้นทำแบบนี้แล้วจะเกิดความสุขใจเกิดปิติบางทีขนอาจจะลุกซาขึ้นมาน้ำตาจะไหลออกมาเพราะเราได้สงเคราะห์ ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ตกทุกข์ได้ยากที่มีความยากลำบากในการหาอาหารหาปัจจัยสี่มาจนเจือชีวิตนี่แหละคือการทำบุญที่แท้จริงทำอย่างนี้แล้วใจจะมีความโลภความอยากความโกรธความหลงน้อยลงไป เราก็จะมีกำลังใจที่อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปอีกไม่เชื่อลองไปทำดูลองไปช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาลำบากตกทุกข์ได้ยากช่วยให้เขามีความสุขให้มีความทุกข์น้อยลงไปโดยที่เราไม่ต้องการอะไรเป็นผลเป็นสิ่งตอบแทนทำแล้วเราจะ มีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจแล้วก็จะไม่อยากจะเอาเงินไปใช้แบบซุรุย่ยซุ้อไลเอาเงินไปซื้อความสุขที่เป็นความทุกข์เสียมากกว่าคือเอาเงินไปใช้ตามความโลภตามความอยากเพราะว่าเมื่อใช้ไปแล้วจะทำให้มีความโลภความอยากเพิ่มมากขึ้นและเวลาที่ไม่มีเงินที่จะ ทำตามความอยากทำตามความโลภได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินมาทำบุญเวลาเงินหมดเราไม่สามารถทำบุญได้เราจะไม่รู้สึกทุกข์ใจไม่มีเงินไปเที่ยวเราก็จะไม่ทุกข์ใจไม่มีเงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราก็จะไม่ทุกข์ใจ ไม่มีเงินซื้ออาหารเราก็จะไม่ทุกข์ใจเพราะใจของเรามีความอิ่มมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาก็คือบุญนี่เองนี่แหละการทำบุญถ้าทำอย่างนี้แล้วจะทำให้เราทำได้มากขึ้นไปตามลาดับจนในที่สุดเราก็จะสามารถทำหมดเลยมีเท่าไหร่ก็สละหมดเลย ยกให้คนอื่นไปหมดเลยเพราะเห็นแล้วว่าเงินนี้ไม่ซื้อไม่สามารถซื้อความสุขที่เราจะได้เหมือนกับบุญงั้นมีเงินเท่าไหร่ควรจะเอาไปซื้อบุญจะดีกว่าอย่าไปซื้อข้าวของต่างๆซื้อแล้วไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมาถ้าเรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจ เราจะรักษาศีลได้เพราะการทําบุญนี้จะทําให้ใจของเรามีความเมตตาการุณาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายเพราะเราจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีไม่ชอบพูดปดมดเท็จโกอกหลอกลวง ไม่ชอบดึ่งสุรายาเมาไม่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ชอบเล่นการพนันไม่ชอบคบคนชั่วเป็นมิตรไม่ชอบความเกลียดครางนี่แหละคือผลที่จะได้รับจากการทำบุญจะทำให้เราได้ขึ้นสู่ขั้นที่สองได้คือการละบาปการรักษาศีลด้พอเรารักษาศีลด้เราก็จะ มีความสุขเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราอยากจะรักษาศีลให้มากกว่าหข้อเราก็จะรักษาศีลแปดได้รักษาศีลแปดได้ก็จะทำให้เราเจริญจิตตะภาวนาได้เพราะการเจริญจิตตะภาวนานี้เราจำเป็นจะต้องตัดการหาความสุขทางร่างกายออกไป ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะรักษาจะรับประทานเพียงถึงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่รับประทานอีกต่อไปเพราะไม่จําเป็น ร่างกายได้อาหารพอเพียงแล้วจากการรับประทานในตอนเช้าในตอนกลางวันหลังจากนั้นแล้วไม่ต้องรับประทานอาหารเพราะจะทำให้เสียเวลากับการมาปฏิบัติทำใจให้สงบนั่นเองแล้วก็จะทำให้ว่วงเหงาเหานอนถ้ารับประทานอาหารมากจนเกิดไปเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งหลอก เวลาให้เดินจงกรมก็ไม่อยากจะเดินเพราะอยากจะนอนแต่ถ้าไม่รับประทานอาหารมากรับประทานพอประมาณเวลานั่งสมาธินี้จะไม่ง่วงนอนเวลาเดินจงกรมจะไม่ที่เกียร์ทาไมต้องเดินจงกรมทำไมต้องนั่งสมาธิก็เพื่อที่จะได้ทำใจให้สงบนี้เองการทำใจให้สงบนี้ต้องมีสติ คอยควบคุมความคิดอยู่อย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดให้ใจคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือให้ใจเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้จดจ่อเฝ้าอยู่กับการกระทำของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เช่นกําลังอาบน้ําก็ให้ใจอยู่กับการอาบน้ํากําลังแต่งตั ว, ก, ก, ตตว ก, าา ก, ก็ให้อยู่กับการแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารกําลังดื่มน้ําก็ให้อยู่กับการรับประทานกับการดื่มกําลังเดินก็ให้อยู่การเดินอย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆและเวลามานั่งสมาธิ ใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาใจก็อยู่กับพุทโธพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างก็ได้ถ้าใช้พุทโธอย่างเดียวก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปไม่ต้องไปอยู่กับลมถ้าใช้ลมอย่างเดียวไม่ใช้พุทโธก็ให้เฝ้าดูลมอย่างเดียวอย่าไป ไม่ต้องไปคิดถึงคาว่าพุโทโธหรือถ้าอยากจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ให้อยู่กับพุโทโธก็ได้หรืออยู่กับลมก็ได้เช่นดูลมหายใจไปแล้วท่องพุโทโธไปก็ได้หรือท่องพุโทโธไปแล้วก็ดูลมไปด้วยก็ได้เป้าหมายของการกระทำเพื่อให้ใจมีงานทำเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะนั่งเฉยๆได้มีความสงบได้เหมือนกับเวลาเรานั่งดูโทรทัศน์อย่างนี้เราจะนั่งได้นานเพราะเรามีงานทำนั่งดูไปได้เป็นชั่วโมงเลยแต่ถ้าให้นั่งเฉยๆไม่มีอะไรดูนี่จะนั่งได้เดี๋ยวเดียวแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดจะต้องลุกขึ้นไปทำอย่างสิ่งนั้นสิ่งนี้จะต้องเดินไปทำ อะไรต่างๆเหมือนเวลาเราไปรอหมอที่โรงพยาบาลเวลานั่งรอนี้เราไม่มีอะไรทาเราจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมา ท, าทันทีเราต้องหาหนังสือมาดูหาอะไรมาทำมันถึงจะนั่งรอหมอได้ฉันใดเวลานั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบนี้เราก็ต้องมีงานให้ใจทำงานที่ ใจควรทาก็คือการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือการดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวลมเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขอันยิ่งให ญ, ญ, ญ, ญ่ที่เราไม่เคยพบมาก่อนความสุขนี้ สุขกว่าความสุขทั้งหลายสุขยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเอีกเพราะการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้ไม่ใช่เป็นสุขแท้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะว่าพอได้เงินมาแล้วก็จะต้องทุกข์กับการดูแลรักษาเงินจะต้องคอยหลบคอยหลีคอยหนีคนที่จะมาคอยขอเงินขอทอ หรือมาคอยลักขโมยเงินทองของเราไปแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์เวลาไม่มีเงินกับไม่ต้องมากังวลที่จะต้องมาคอยเฝ้าดูแลรักษาเงินไม่ต้องคอยหลบคอยหนีคนนั้นคนนี้ที่จะตามมาของเงินทองนี่แหละความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ความสุขทางโลกไม่สามารถให้ความสงบกับใจได้ แต่ความสุขที่เกิดจากการภาวนานี้จะทำให้ใจสงบพอใจสงบแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจา้าทาบุญละบาปแล้วก็ภาวนาทาใจให้สงบพอเราออกจาก การนั่งสมาธิมาถ้าเราไม่มีเครื่องมือรักษาความสงบนี้ก็จะหายไปเครื่องมือที่เราจะใช้ในการรักษาความสงบก็คือวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญาก็คือเราต้องสอนใจให้รู้ความจริงของโลกว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขกับเรา เพื่อเราจะได้ส ก, กัดความอยากที่จะเกิดขึ้นเพราะความอยากนี้จะเป็นตัวทำลายความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิพอเกิดความอยากเราก็บอกสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นสุขเพียงนิดเดียวแล้วมันจะมีความทุกข์ตามมาเพราะว่ามันจะต้องเสื่อมจะต้องจากเราไป ได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปเวลาเขาจากเราไปเราก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเราเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสือ่อมเราก็จะไม่อยากได้สิ่งที่เราอยากได้พอไม่มีความอยากใจของเราก็กลับเข้าไปสู่ความสงบได้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้ไม่ต้องทําอะไร นี่คือวิธีที่เราจะสามารถรักษาความสงบรักษาความสุขที่แท้จริงให้อยู่กับเราไปตลอดพอเราสามารถหยุดความโลภหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาแล้วต่อไปก็จะไม่มีความโลภความอยากเกิดขึ้นมาพอไม่มีความโลภ ก, ก็จะไม่มีความโกรธความหนุก็เกิดจาก ความนง่ก็เกิดไม่ได้พอมีปัญญามีวิปัสสนาทำลายไปความหนง่คือเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีได้มาแล้วจะให้ความสุขแต่พอได้มาแล้วถึงจะมารู้ภายหลังว่ามันไม่ดีจริงนอกจากให้ความสุขแล้วมันยังให้ความทุกข์กับเราด้วยเช่นเวลาได้แฟนมาตอนต้นก็คิดว่าได้แฟนแล้วจะมีความสข แต่พอแฟนเปลี่ยนไปแฟนเคยรักเรากับไม่รักเราแฟนกลับไปรักคนอื่นอย่างนี้เราก็จะเสียใจเราจะทุกข์ใจหรือแฟนรักเราดีกับเราแต่เกิดอุบัติเหตุตายจากเราไปเราก็ต้องเสียใจอยู่ดีนี่คือปัญญาต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเร่อนี้ไม่ได้ให้ความสุขกับเรามากนักให้ความทุกข์กับเรามากกว่า ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่หลงอยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรใจก็จะสงบใจก็จะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือเรื่องของการมาวัดการใช้เวลาของชีวิตให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขด้วยการทําตามความโลภทําตามความอยาก พอไม่ได้เป็นการหาความสุขที่แท้จริงเป็นการหาความทุกข์มากกว่าต้องทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาก็คือทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดด้วยการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าทำตามที่พระเจ้าทรงสอนได้แลนะ้ว เราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีลัตนตรายและบุญกุศลที่ท่านได้นาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเถิด